มิลลาหราะห์มรรมอัฮัมดุลลอฮุ م ن و به نستعين ความสันติความจริญจะออกไโสแด่พี่น้อง ผู้ที่มาศึกษาวิชาตัพซีสในวันนี้ทุกทา่านวันนี้นะครับเราขึ้นสุรอใหม่แล้วนะครับคือซุรอ้นอนิซุรจบไปแล้วสุรพึ่ง น, นะครับอันนี้ขึ้นใหม่แล้ววันนี้ห้าอายะนะครับอายะที่หนึ่งถึงอายะที่ห้าจากซุรอ้นอนิซุร <c oughs> ์ในยานี้นะครับ การถึงเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ก็คือการอิสระของท่นานนะบีมูฮัมหมัดส่องรอละวะสลัมพอดูรายละเอียดนะครับสุบฮานัลละดีนะมหาเบญสุดเดออัลลอฮผู้ซึ่งอัสรอบีอัฟดีฮีให้บาวคนหนึ่งเนี่ยได้ทําการอิสระเดินทางในยามค่ําคืนเดี๋ยวเขาอธิบายอันนี้แปลเขาข่าวก่อนนะครับไลลัม ในตอนกลางคืนนะครับมินั่นมัสยิดอินฮารอมจากมัมัสยิดฮารอมก็คือที่มักกะนะครับอีลันมัสยิดอักซอรไปที่ที่ไหนเอ่ยมัสยิดอันอักซอรนะครับที่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปาเลสไตน์เยรูซาเล็มอัลลอฮ์ดีบารักนะฮาวลหฮูซึ่งสถานที่ในรอบๆมัสยิดอักซอรนั้นเป็นที่ที่อัลลอฮ์บอกว่าบารักนะฮาวลหฮูอัลลอฮ์ให้ความจำเนินรอบนั้น ลนุริยาูมินอายาตินาเพื่อให้ทำไมเอ่ยให้เห็นสัญญาณต่างๆของเราอินนาหู ว, วัสมีอุนบาเซลพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้ยินแล้วก็ผู้ที่ทรงเห็นนาะในนี้เนี่ยพูดถึงเหตุการณ์สำคัญนะครับพี่น้องอาจจะเคยฟังวลาอิสระกับมิอราชจะพูดพร้อมกันนาะในเหตุการณ์นี้อัลลอฮบอกว่าพระองค์เนี่ยทำการอัสรามิอับดีฮีไลลัน ทำการอิสระคําว่าอิสระเนี่ยนะครับมาจากคําว่าซารอที่แปลว่าเดินทางนะแต่ว่าคำคำนี้เนี่ยจะใช้ในการเดินทางในยามค่าคืนตัวอย่างเช่นนะครับอลัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้ท่านอะบีลุตอะเลฮิสลามอันนี้เราอ่อฟังเป็นเป็นการใช้อายะฮ์กาารุรอานตั้ซิดอายะฮ์กุรอานด้วยกันเองนะครับอลัลลอฮ์สั่งท่านอบีลุตว่าอยู่ในสุรานฮิจเรีอยอายะฮ์ที่หกส้า เดี๋ยวค่อยไปดูกระดไม่เป็นไรนะครับฟัสริบอัลิกะบกตออินมินัไ ล, ลีสั่งต่อท่านนาบีรุว่าฟัสรจงเดินทางบีอัลิกะพร้อมกับครอบครัวของท่านบกกตออินมินันไลดีส่วนหนึ่งจากเวลาค่ำคืนนาะเราก็เคยฟังประวัติท่านนาบีรุ่ไปแล้วเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะชาวสดูมจะถูก อัลลอฮ์ทำลายทิพแผ่นดินเนี่ยนะครับหรือว่าธรณีสูงเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ท่านราบีรูนนั้นทำไมเอ่ยนำครอบครัวแล้วก็ผู้ศรัทธาเดินทางออกไปในยามค่ำคืนฟาสรีนะอัสรีตรงนี้คำคำเดียวกันนะครับฉะนั้น จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้ซาร่อในปัจจุบันบางทีใช้ทั่วไปหมายถึงการเคลื่อนย้ายการเดินทางแต่ว่าจริงๆแล้วในทางศัพท์เนี่ยถ้าดูในกุรอานจะหมายถึงการเดินทางในยามค่ำคืนก็ลองไปดูด้านเมื่อกี้อยู่ในอรลอัน์ฮิจรยอยายะที่หกสบห้าอีกตัวอย่างนึงครับอัลลอฮ์ใช้กับท่านดาบีมูซาอลัยฮิสสาลาหนะอันนี้อยู่ในออรอันคอซอสอายะที่ยี่สิบเก้า จบด้วยกระดาษแ้วไปดูนะครอันนี้เป็นเรื่องภาษาไม่ได้อะไรมากนะครับท่านดบีมูซาเนี่ยฟาร์ ม, มาปอมูซันอาเจลเมื่อท่านนบีมูซาทําการเ้าเรียกว่าทําการเลี้ยงสัตว์ครบตามอายุตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ต้องเล่าย้อนไปนิดหนึ่งท่านดบิมูซาเนี่ยหนีมาจากเฟร์เอลใช่ไหมแล้วก็มาเจอนดีณดนบิอะไรลืมยังณบิชูไอ แล้วก็นาบีชูไอ้มีลูกสาวสองคนนาบีชูไอ์บอกว่าจะยกลูกสาวให้คนหนึ่งแต่มหัตเนี่ยก็คือการทํางานเลี้ยงแกตให้ท่านนาบีชูไอ์เนี่ยแปดปีหรือว่าจะทำสิบปีก็ได้นบีมูซาการทำครบเลยก็คือฟาร์มาปรดอนมูซันอัจจลาเมื่อครบตามสัญญาแล้วเนี่ยที่ถือว่าเป็นคล้ายๆล้ายว่าสินแต่งงานทรัพย์สินไม่ต้องมีแต่ว่าทํางานให้และกัน นะครับใครเป็นลูกสาวลูกเขยมาขอเนี่ยลองกําหนดแบบนี้ก็ได้ขอลูกสาวฉันมาฮัตแนวแต่ต้องเป็นอิมามที่มุซัน ล, ลานี้สิบปีสมมตินะครับค่อยว่ากันได้ไมได้หุกกลงเนี่ยค่คยว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยครบเวลาแล้วอวซารอบีอัลดีฮีท่านจะมีมูซาก็เดินทางพร้อมกองครอบครัวของท่านอานิซาบินญาเนบิตุยนาเดินทางมาที่ภูเขาซีนายแล้วก็เห็นแสงไฟ ตรงนี้เนี่ยภาพมันเป็นยามค่ําคืนคือนบีมูซาอยู่กับครอบครัวเดินทางอยู่ใช่ไหมแล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดไปหมดแล้วก็เห็นแสงไฟที่ภูเขาภูเขาซีนายก็จะบอกครอบควรัวว่ารออยู่นี่นะเดี๋ยวจะไปเอาไฟมาก็จะมาก่อกองไฟมานุน่นมานี่สุดท้ายพอนบีมูซาเดินไปถึงเนี่ยก็เลเรอดแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วก็ไป ให้กลับไปหาเฟรอาอันนั้นคือจุดเปลี่ยนของนดีบูซาอลิสลาลที่ยกสองประวัติมาดานีลูกกับดาีบูซาเนี่ยไม่ใช่อะไรต้องการจะอธิบายคําว่าอิสระเนี่ยหมายถึงการเดินทางในยามค่าคืนแค่นี้แหละที่ยกมา น, นะครับแควนี้การอิสระเนี่ยนะครับโดยสับคำมันเนี่ยอิสระมีอัฟดีอิสระกั บ, บีเนี่ยต้องการจะบอกว่าคำคำนี้เนี่ยไม่ใช่ท่านดานีมูมัดเดินทางเอง แต่อัลลอฮฺทำให้ดะบีมุฮัมหมัดเดินทางนึกออกไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าสะกะรรมกิริยาอเฟรุนมุตอันดีมานถึงกิริยาที่ต้องการกรรมถ้าดบีมุฮัมหมัดีมูฮหมัดเดินทางอย่เดียวเนี่ยเช่นฉันเดินทางคําว่าเดินทางเนี่ยไม่ต้องการกรรมแค่ประธานก็พอภาษาไทยเรียกว่าอกรรมกิริยาที่แปลว่าไม่ไม่ต้องการกรรมภาษาอับเดอเฟรุนดาซิน นะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ใช่น บ, บีมุมรรดเดินทางโดยความสามารถของตัวเองแต่ว่ า, อ, วาอัลลอัฮฺเลอเป็นผู้ซึ่งทําให้ทน บ, บีมมรรดเดินทางอันนี้เป็นเป็นนัยยะทางภาษาไลลั่นกะาหนดมาเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงค่ําคืนทน บ, บมีมุมรรดเดินทางไปซ้อแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อรอเนี่ยแล้วก็ไปกลับเนี่ยนะครับภายในหนึ่งคืนนะ การอิสระเดินทางในยามค่าคืนเราได้ได้เขาเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับด้านเวลาไปแล้วเดินทางในตอนไหนในยามค่ำคืนด้วยกับภาคสามคำว่าอิสระซาล่าในกลางคืนแล้วก็คีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งคำว่าไลลันฉะนั้นชัดเจนครับการอิสระของท่านดบิมุมาิเกิดขึ้นตอนไหนถ้าถามในแง่เวลานะเกิดขึ้นตอนกลางคืน ต่อไปตัวอ่านบอกความหมายต่อมาในด้านสถานที่มันมีเวลากับสถานที่เดินทางจากไหนไปไหนล่ะมินันมัสยิดินฮารอมเอลัลมัสยิดินอักซอจากไหนครับมัสยิดินฮารอมนะจากกาบะเอลันมัสยิดินอักซอไปถึงมัสยิดที่ไปตุ้มัตดิสที่ยิรูซาเลมอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานพี่น้องกระซับกันแหละนะครับคันนี้นิดนึงเกี่ยวกับกระซัเนี่ย บางคนก็นถามว่าทําไมเรียกว่ามัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมนี่แปลว่ามัสยิดต้องห้ามต้องห้ามเราจะไปทำไมทุกปีไปอุบลไปฮัตไปตาวักเขาห้ามเนี่ยมันห้ามยังไงคําว่าฮารอมในที่นี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยคนแผงเอามาใช้คําว่าฮารอมทั่วไปเนี่ยเป็นคําว่าฮาเร็มคดินไหมเวลาพูดถึงฮาเรมเนี่ยภาพในหัวออกมามันจะไม่ดีแล้ะ เป็นภาพผู้ชายอาจจะเป็นห่องเตะเป็นกษัตริย์เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีสนมเป็นร้อยเป็นพันอยู่ในวังแล้วก็เรียกแบบฮาเร็มปัจจุบันคนที่มีเด็กเก็บเด็กเสียอีหนูอะไรก็แล้วแต่เยอะไปหมดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเนี่ยมีฮาเรมส่วนตัวของตัวเองความหมายจะเป็นในแง่ลกแต่ในตะกรเนี่ยนะครับคําว่าฮารอมเนี่ยหมายถึงพื้นที่ต้องห้ามคนอาหรับเวลามีเต้นเนี่ยนะครับถ้าดูเต้นอาหรับเนี่ยนะมันจะมีส่วนที่เปิด นึกออกไหมเนี่ยเต็นต์แบบนี้ใช่ไหมมันด้มีแค่เต็นต์นะมันจะมีกลางอะไรละ่ะเขาเรียกอะไรละ่ะชงแงเงนออกมาเนี่ยเขาเรียกผมใช่สไทล์ไม่ถูกเหมือนที่กังสาล บ, บ้านเราอ่ะแต่เป็นเต็นต์นึกออกไหมตรงนั้นเนี่ยเวลาแขกมาก็จะมาก่อกองไฟกันนะครับแล้วก็ชงชาเลี้ยนแขกแต่สูงในเต็นต์เนี่ยแค่ว่าส่วนที่เป็นฮาลอมห้ามห้ามแขกเข้าไปเพราะว่าอาจจะมีลูกเมียลูกสาวใช่ไหม ในพื้นที่ส่วนตัวห้ามไปยุ่งเรียกว่าพื้นที่พื้นที่ต้องห้ามฉะนั้นตะกอนในความหมายไม่ได้ลบหมายถึงพื้นที่ของครอบครัวโดยเฉพาะคนในครอบครัวสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้หญิงเพราะบางทีก็ไม่ได้กุมหัวบางทีนี่ก็แม่กันเองลูกสาวกับแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็แต่งตัวกันเอง พ่อก็ไปไป็นไรเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวพื้นที่ตรงนั้นก็เรียกว่าฮารอมหารมนะครับห้ามเข้าไปคนที่ไปแขกก็จะทราบดีก็อยู่หน้าเต็นท์นี่แหละจะชงชาจะแย่งแก่จะคุยกันก็อยู่หน้าเต็นท์นึกออกไหมคราวนี้คาว่าพื้นที่ต้องห้ามตรงนี้เนี่ยภายหลังเนี่ยนะครับคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยก็มีภรรยาบางทีมีหลายคนบางทีมีท่านที่เป็นผู้หญิงก็เอาไปอยู่ในพื้นที่นั้น ก็เลยทําให้ความหมายของคำว่าพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวเนี่ยกลายเป็นที่เก็บผู้หญิงเยอะๆเห็นไหมทั้งๆที่แต่ก่อนเป็นแง่บวกนะต่อมาณเป็นแ ง, ลง่ลบครั้ น, นี้มัสซิดนฮารอมเนี่ยห้ามในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ได้ว่าเก็บผู้หญิงแต่ว่าห้ามในที่นี้คือห้ามที่จะทําการละเมิดเวลาเราของเอี่รอมแล้วเนี่ยห้ามละเมิดในการจะฆ่าใครทําร้ายใครจะว่าใครนอะฉะนั้นในเรองมัสซิดนฮารอม มาชินนารามสมัยก่อนเนี่ยนะครับ <c oughs> รากฐานเนี่ยเราจะสมัยน บ, บีอาดัมแลละแล้วก็คนที่ฟื้นฟูก็คือท่านนาบีเรอฮิมอลัยสลาม์กับท่านนาบีท่านนาบีอิสมาอินอย่างที่ประวัติที่มีน้องทราบกันดีนะคราว น, นี้พอทราบเป็นการบ้าแล้วเนี่ย ปรากฏว่าต่อมาก็มีชาวโยบุมที่เดินทางอยฯฯพยพมาจากภาคใต้มาอาศัยอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามีน้ำซาๆมีน้ำเวลาก็ผผานไปผ่านไปมาถึงสมัยยาฮิริยะเนี่ยนะครับพวกเรชเนี่ยก็ทำการเขาเรียกว่าสร้างบ้านรอบรอบก่า บ, บ้านนะส่วนที่ใกล้กับก่า บ, บ้านจะมีที่ที่นึ่งเรียกว่านารุนนั ด, ดวดวเป็นที่ประชุมสภาของชาวเบรเช ที่นี่แหละที่เป็นที่ออกแผนการว่าจะเอาอยัางไงกับนะีมุมูมมันดีมูมันมันเผยแพร่แล้วมีคนเชื่อเราจะเอาอยัางไกงกับมันดีจะสงครามกับมันหรือว่าจะติดสินบนมันแผนการต่างๆของชาวเกเรชเนี่ยออกมาจากนะดารุนนัตเดวเป็นที่ประชุมของชาวเกเรชแล้วก็แต่ละเผนะ่าเนี่ยพี่น้องให้ประวัติดีๆก็จะมีบ้านรอบกาบาเช่นปัญหาชิม ก็จะมีสถานที่หนึ่งบันีมักซูมบันีอะไรแหละที่เป็นเขาเรียกเผ่าใหญ่ๆของในมักค่าก็จะอยู่รอบกาบาฉะนั้นในเหตุการณ์สมัยท่านดาบีที่ว่ากาบามีการเสียหายแล้วก็มีการบูรณะเนี่ยสุดท้ายบูรณะเสร็จแล้วหินดำเนี่ยใครจะยกกลับไปตั้งที่เดิมหนึ่งก็มีความขาดัดแย้งกันเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาสุดท้ายดาบบี้มูมันก็ตัดสินให้เอาหินดำไว้ตรงกลางผ้าและแต่ละเผ่าก็ยก ใช่ไหมทุกคนก็ได้เกียดเท่ากันไม่ต้องทะเลาะกันนึกออกไหมเหตุการณ์มันเกี่ยวกัอหมดคราว น, นี้พอพี่น้องเรานึกถึงกาบ้านมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมตอนนี้มันนึกไม่ออกตอนนี้มันเป็นสร้างอะไรแต่ในอดีตก่อนกาบ้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ทําไมเอ่ยกําแพงก็ยังไม่มีกําแพงที่สร้างสมัยท่านกุมารินุคตอต์ก่อนยังไม่มีกําแพงแต่และเผ่าก็จะมีบ้านหัวหน้าเผ่าหนึ่งรอบกาบ้านแล้วก็จะมีทางทุกทางเดินเข้าถึงกาบ้านเดิม เขาจะเรียกเป็นเป็นบ้าเป็นประตูจริงๆไม่ใช่ประตูแต่ว่าเป็นทางที่จะเข้าไปสูก่กลบะตามสถานที่ที่เผาต่างๆสร้างไว้อย่างเช่นบาร์บูสโซฟาเวลาเราส่แอร์มาโซฟากำมังราไอ้ตรงส่แอเนี่ย แ, แต่เดินเป็นพื้นที่ของบันีมักซูมเป็นที่ซึ่งเผาบันีดมักซูมเนี่ยตั้งตั้งเขาเรียกวบ้านหัวหน้าเผาไว้ว่าจะเดินผ่านเนี่ยเป็นผ่านบันีมักซูมอันนี้เป็นเขาเรียกว่า ลักษณะของเก่า บ, บ้านสมัยก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพออิสลามมาแล้วเนี่ยนะครับมาถึงท่านสมัยท่านท่านอุมัยมุคตอมเนี่ยก็ทำทำกำแพงอันนี้มีประวัติของมันมีมัสยิดินฮาฮอมอีสถานที่หนึ่งคือมัสยิดินอักซออักซอแปลว่าอะไรพี่น้องอ่าอักซอเนี่ยแปลว่าไกา่คนก็ทําไม เอ๊ะทำไมมันป็นไก่ด้วยไก่ในที่นี้เนี่ยนะครับต้องการจะบอกว่าไก่จากมักกะฉะนั้นการอิสระเนี่ยเป็นม้ออีซาหนึ่งให้นบีมุมอัดเดินทางด้วยระยะที่ไกลมากจากมักกะไปถึงไปตุ้งมักดิสเนี่ยพี่น้องไกลมากตั้งชื่อตัวนี้ว่าอันอักซอเพื่อต้องการเวลาที่เราไปที่มสัสยิดินอักซอเนี่ยเวลาไปแล้วพี่น้องด้วยกับชื่อเนี่ยให้ลําลึกว่า รายะไกลตรงนี้แหละอลัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมหมัดเดินทางภายในส่วนหนึ่งของกลคืนไม่ใช่ทั้งคืนด้วยแค่ส่วนหนึ่งของเวลากลางคืนไประลับด้วยเดินทางมามีสองช่วงนะอิสลัฟช่วงหนึ่งมักกามาที่ไปสูมักดิสแล้วก็มีออฮขึ้นไปชั้นฟ้าฉะนั้นเป็นสองช่วงสีข่ขาละกันหนึ่งสองขากับสามสี่ทั้งหมดเนี่ยเสร็จภายในคืนเดียว ด้วยกระยะทางตีไกลขนาดนั้นอัลลอฮฺท่านอบีบูมัดเดินทางด้วยกับเคืนเดียวฉะนั้นเวลาไปที่ามาซิโดนอักซอเนี่ยให้นึกคำว่าอักซอแต่ ว, ว่าไกลแล้วก็ให้หวนกลับไปถึงอาย่านี้เหตุการณ์ในอดีตการเดินทางไกลขนาดนี้อัลลอฮฺให้ท่านอบีบูมัดอักซอบิอัฟตีฮีไลลันเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของยามค่าคืนสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เบตุนมักดิสเนี่ยชื่อไม่ได้ชื่อนี้ แม้กระทั่งว่าเยรูซาเล็มเนี่ยก็มีหลายชื่อแต่ก่อนก็ตั้งชื่อามาดีนะเอลียาเอลียาเป็นชื่อทางาภาษาอิสราเอลภาษาฮิบรูเอลียาเนี่เป็นนบีหนึ่งของบรนีัอิสรเาเอลเอลียาคนที่เป็นคนคริสตเนี่ยนะครับเป็นมาเสียที่ทําเป็นคนอาหรับบางคนชื่อเอลียาเอลียาเนี่อาจจะไม่คุนแต่นบีคนนี้ในถูกกล่าวในกัมภ า, านเหมือนกัน คือท่านจะีอินเดีสถ้าเป็นภาษาเราคืออินเดียสนี่ออกมาถ้าพูดอินเดีสกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอลูกิตาเด็บเอใครกันแน่ภาษาไทยเลอเอเลจายก็คืออิลเลยียดีแหละนะครับจริงๆก็คือท่านจะีอินเดีสอเลฮิสลาหแต่ก่อนชื่อนี่มาดียนตุนอิลิยายหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะ นักประวัติศาสตร์เวลาทับซิษอายานี้เนี่ยก็มีคําถามขึ้นมาว่าเอ่อก่อนที่อายานี้จะมาเนี่ยมัสยิดอักซอกับมัสยิดฮารอมเนี่ยก่อนหน้านี้ถูกเรียกด้วยกับชื่ออื่นหรือเปล่าหรือว่าถูกเรียกด้วยกับชื่อนี้มาแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นถกการพังประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเป็นเรื่องชื่อเออชื่อเรียกนะครับพี่น้องไม่ต้องไป็สีเรียกมากโดยเท่าที่อ่านมาเนี่ย ค่อนข้างจะมีน้ําหนักเนี่ยก็คือว่าสมัยก่อนเรียกด้วยกับชื่ออื่นแต่ว่าเมื่อกับอาย่านี้เนี่ยนะครับถูกประธานลงมาแล้วเนี่ยคนอาบมุสลิมทราบเลยว่าหมายถึงกาบบากับมสัสซิดินอักษรก็เลยเปลี่ยนมาเรียกชื่อนี้อ่าแต่ก่อนนั้นจะเป็นชื่ออื่นเช่นเดียวกันในเขาเรียกว่าในเบนตุมมักดิสเน่แต่ก่อนก็มีชื่ออื่นเต็มไปหมดนะครับอัลเลดีบารักนาฮาวเลหู เวลาพูดถึงมัสซิดุนอักซอรเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช็คตัวมัสซิดอย่างเดียวแต่ว่ารอบนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความจำเรนรรอบมัสซิดุนอักซอรมีอะไรบ้างพี่นอ้องตรงนี้เนี่ยถ้าเราพูดกั น, นโอ้ยาวเลยเรื่อง ป, ประวัติมันเยอะมันไม่ใช่แค่สมัยมุสลิมอิสลามอย่างเดียวนะมันย้อนกลับไปสมัยบนันิอิสรออิลมีอะไรบ้างเช่นมีกูโบต์ของท่านดบเบิลซวยมานกับท่านดบเิดาวุฒอัลลอฮิสซาลา จะเป็นที่ยังไงล่ะที่ที่ชาวทางฝ่ายคริสตหรือว่าฝ่ายยิวเขาเขาเขาอาบุที่จะจริงไหมจริงกันแล้วแต่แต่ว่ามีสถานที่สําคัญตรงนั้นเต็มไปหมดอีกที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์กานีซ่าชื่อภาษาเราคือกานีซากิ亚马กิ亚马ในวันนี้ไม่ใช่วันกิยามาน่ะหมายถึงในทางคริสเนี่ก็ถือว่ามันมีที่ที่พระเยซูเนี่ยเสียชีวิต แล้วก็ฟื้นขึ้นมากียร์มากที่นี่หมายถึงฟื้นขึ้นมาเขาก็สร้างเป็นโบสเป็นโบสที่มีความสําคัญสูงมากในศาสนาคริสต์ก็อยู่เฮาเลาหูนี่บ อ, อกไหมหลังจากนั้นก็ถัดถอดถัดเถิบไกลออกมาหน่อยก็จะมีอะไรละ่ะที่ฝังศพของพระนางซาร่าพวกบรรดีซาอินที่เป็นนบีเนี่ยแล้วก็บุคคลที่อิสลามให้ความเคารพด้วยเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลย แต่ถ า, ถามผมลึกๆผมก็ไม่แม่นแล้วมันต้องละเอียดเลยเลยว่าพิกัดไหนตรงไหนบ้างแล้วก็ต้องเอาองค์ความรู้จากความเชื่อจอากอรุณจตาวด้วยเช่นทางคริสทางยิวเนี่ Chris, ul, ยก็จะชี้ได้อันนี้เป็นกําแพงร้องไห้ตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดเวลาที่เราไปที่เยรูซาเล็มเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่ที่ของมุสลิมอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่ที่ความเชื่อ อ, อื่นก็เดินทางมาจารึงสแสวงบุญด้วยสถานที่สําคัญเต็มไปหมด ความเชื่อเขาจะต่างจากเรายังไงกันแล้วแต่แต่ว่าบางสถานที่เนี่ยเป็นบุคคลซึ่งทางอิสลามก็ให้ความเคารพเหมือนกันเพราะถือเป็นนบีเหมือนกันบางคนมาเป็นน บ, บีเป็นภรรยาของ น, นาบีใช่ไหมนางซาราก็ให้ความสําคัญเหมือนกันฉะนั้นคําว่าอัลลอฮฺบารับนาฮฺลาหูนะใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปนะครับให้กลับมาอ่านอายะฮ์นี้ด้วยแล้วก็ไปศึกษาเพิ่ออมวัดบามีตรงไหนบ้างที่ว่าอัลลอฮฺให้ความจเจริญตรงนั้นนะคะ น, นี้ ตรินุลีนุริยาหูอัมินอายาตินาอินหัวสมิุนบนะตรงนี้เนี่ยนะครับอายาที่ไหนพี่น้นองมันมีนัยยะนัยยะยังไงบ้างการเดินทางในายามค่ําคืนเนี่ยเปรียบเสมือนเส้ น, สาสนทางของประวัติศาสตร์แห่งการศรัทธาเริ่องตีกาบ้าใช่ไหมพี่น้องคนที่วางกาบ้าไว้ท่าสมัยนบีอาดัมนบีเปรย์ฮีนําการภาวนาะ ครับนบีสมาอีนความเชื่อตรงนี้ทําไมเอ่ยครับหลังจากนั้นก็ไม่มีนบีมาเลยทางฝั่งอาหรับเนี่ยนบีไปโผพที่บันิซออีนก็เหมือนการเดินทางทางความเชื่อเนี่ยจากแผ่นดินอาหรับเนี่ยนะครับไปที่ไหนไปที่ปาเลสไตน์เป็นที่ของบันิซออีนมีนบีเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นขากลับการเดินทางในขากลับเนี่ย พอนบีอิสระไปเสร็จต้องมีขากลับด้วยกลับมาที่กาบาก็เหมือนกับความเชื่อตรงนั้นเลยที่เป็นแนวทางเดียวกันยึดพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยเดินทางกลับมาที่มักกะที่อารับกลับมาหาขอยืมยนอัลบีฮะคือท่านนบีมุฮัมมัดอะลัยฮุสซาลาหเห็นไหมมันมีนัยยะนะเส้นทางตรงนี้นอกจากเดินทางที่อิสระกับเนี่ยอร์ชแล้วเนี่ยนะครับก็ยัง แสดงนัยยะเกี่ยวกับเส้นทางประวัติศาสตร์ของการสัมผ้าด้วยเริ่มจากกาบานะครับและสุดท้ายกลับมาจบที่กาบาคือท่านนบีมูมัตอัเลฮิสลาเห็นนัยยะนั่นอ้นนนะอาวต่อมาครับในอายะที่สองนะครับอายะที่สองอลัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าเราดูเวลาก่อนจะได้กระถูก <laughs> ว่าเจนามูซันกิตาบและเราได้ให้ทำไมเอ่ย ปัญหาในกับท่านอาบดุลมูซาอะเลฮิสซลามอันกีตาคัมพีก็คือคัมพีตะรอดวนาวและทําให้คัมพีตรงนั้นแหละคูดันลิบันีอิสราอินเป็นทางนําแก่ชาวบันีอิสราอินอัลลาตัตะคีดูมินดูนีฮิวกีลาให้ชาวบันีอิสราอินเนี่ยอย่ายึดสิ่งอื่นอย่าตั้งภาคีอย่ายึดสิ่งอื่นเป็นที่มอบหมายเป็นวาเกล เวลาที่จะมอบหมายให้มอบหมายต่อตอรลองแถวนั้นอ่าคำถามคือเมื่อกี้พูดถึงมัสยิดอักซอรด์ดีเนี่ยแล้วทำไมมาพูดถึงนบีมูซาอะไรทีิศสลาเกี่ยวอะไรกันนะครับ <laughs> นักกับซิก็พยายามมองหาความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงหนึ่งซึ่งเห็นชัดๆก็คือว่าท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นเป็นนบีของบนอันิอิสลาม เป็นผู้ปลดปล่อยบรรดายิสราเอลคือบรรดาอิสราเอลเนี่ยนะครับอาจจะมีนบีเต็มไปหมดนบียูซุปก็เป็นบรรดายิสราเอลนบียิสฮะก็ใช่นบีระหว่างนั้นก็ใช่แต่ว่าคนที่ให้อิสลามภาพกับบรรดายิสราเอลต้องพอใจย้อนกลับไปนิดนึงก็คือหลังจากนบียูซุปมาแล้วนบี่น้องประมาณสองชั่วอายุคนล่นหลานของท่านนบียูซุปเนี่ยหลานกับเหลนเนี่ยบรรดายิสราเอลเนี่ยเป็นทาสในอียิปต์แล้ว ถูกฟิละเอาผู้ปกครองอิบในสมัยก่อนนะกดขี่คนที่ปลดปล่อยบรรดิสรออิบก็คือท่านดบีมูซาอะเลฮิสซาลาฉะนั้นก็อ่านต้องการเชื่อมโยงตรงนี้เพื่อต้องการตอบย้ําว่าบุคคลหนึ่งซึ่งมีสถานะสําสคัญยิ่งแก่ชาวยโฮลดหรือบรรดิสรออิบคือท่านดบีมูซาอะเลฮิสซาลาถือว่ายิ่งใหญ่มากนะสําหรับคนที่เป็นยโฮลด์เนี่ยวลาเข้ามองกลับมาที่โมเสสหรือท่านดบีมูซาเนี่ยถือเป็นบุคคลสิ่งใหญ่ คือเอ่อเขาเรียกว่าปากกาศกนบีนี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมเวลาภาษาอังกฤษเวลาแปลเป็นภาษาไทยมันจะแปลงไงคือเราซูนแปลว่าศาสนาทูตเราซูนมันส่ง่ศาสนาทูตเนี่ยโอเคมันความหมายมันเข้ากันแค่ น, นี้นบีจะแปลว่าไงดีผู้เผยวาจนานะอะไรก็แล้วแต่มีคำหนึ่งสวยมาใช่ไหมครับว่าปากกาศกเพราะนาบีนี่มาจากนับบะอาเอาข่าวมาบอก เอาวะฮีมาประกาศประกาศศพก็เป็นคําซึ่งภาษาไทยซึ่งเหมาะเหมือนกันจะใช้คําอื่นก็ได้ไหมเลยวาแต่ว่าให้เห็นว่าเขาใช้คํานี้กันนะครับถ้านาบีมูซาเนี่ยนอกจากเป็นนบีแล้วเนี่ยแต่สถานะที่ยิ่งใหญ่มากก็คือว่าเป็นผู้ที่พบปล่อยบนันทิสราอลพาข้ามทะเลแดงนะเป็นยิ่งใหญ่มากนะครับเวลาพูดถึงยาหุ้เนี่ยคนหนึ่งจึงนึกเขานึกถึงคือโมเสสคือท่านนบีมูซาอะลัยสลามนี่คือความเชื่อมโยงที่หนึ่ง ความเชื่อมโยงที่สองก็คือเชื่อมโยงกันด้วยกับเวลาค่าคืนเพราะท่านอบีมูซาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนับีตตอนค่ำคืนท่านบีมดุลมูซ่ตอนไหนเป็นนับีตอนไหนตอนอยู่ในท่ามิตราเนึ่อออกไหมแต่และอับดเบตเนี่ยเราบางนับีเนี่ ย, เ ร, เ, ยเราก็ยังถูกเถียนอยู่ว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นนับีตอนไหนเช่นอบีุลเบตฮอีมเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นนับีตอนไหน ถกเถียงกันบางคนบอตั้งแต่ตอนเด็กแล้วที่ว่าเอาขวานไปฟันแล้วก็โบกนั้นจำนาบีบอยิโยนเข้ากองไฟแล้วไฟไม่ไหมเนี่ยบางคนก็บอกไม่น่าใช่เพราะยังเป็นเด็กอยู่น่าจะเป็นตอนที่เดินทางแล้วก็เผยแผ่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นบางนาบีเนี่ย เ, เวลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนาบียังไม่สามารถระบุได้โดยตรงบางทีก็ระบุก็มีทัศนะอื่น อันนี้เป็นความเห็นต่างทางวิชาการที่น้องไม่ต้องไม่ต้องขอขันบาตายนะครับแต่ท่านดบบิ้ซาค่อนข้างจะชัดเจนเหตุการณ์ที่เมื่อกี้เราได้ฟังพลามอกาดอนมูซันอาเจลล์หลังจากเลี้ยงแกะสิบปีแล้วอยู่กันดับบิชูไอแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่เลี้ยงสิบปีแล้วนิก้านะนิก้าเลยมีครอบครัวเลยแต่เป็นเขาเรียกมาฮัทหลังแต่งงานเลี้ยงอีกสิบปีแบบนี้ก็ได้นะจริงๆในปัจจุบันก็ยังได้นะมาฮัด ให้หลังแต่งก็ยังได้นะท้องอย่างละสิบเนี่ยตอนนี้ไม่มีแต่ว่าจะทยอยให้ในระยะเวลาห้าปีครบสิบบาทถ้าพอตายินยอมทำแบบนี้ก็ได้มหัดมหัตหลังแต่งก็ยังได้แต่ว่าต้องทำตามนะไม่ใช่เดลุกสาก็แล้วไอ้นั่นนะอ้าวกลับมาที่ประเด็นเรื่อูตาต่ออายะที่ผมยกไปเนี่ยวสาครบริอัลิฮีนะครับแล้วก็ เหตุการณ์ที่เห็นไฟที่ภูเขาซินายน บ, บีมูซาก็ไปหาปรากฏว่าอาลัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วก็สั่งว่าอิทับอินล้วเร์เอาอินนาหูตอกรให้กลับไปไปชนากาแฟเอาตอนนั้นเละเป็นนบีแล้วานบบีมูซาก็ขอว่าฉันพูดไม่เก่งขอดานีฮารูน ด, ด้วยใช่ไหมอลัลลอฮ์ให้นบีฮารูนไปการเชื่อมโยงเหตุการณ์อันอิสระกับการเขาเรียกว่าประทานคำเพีย้ยนดีมูซาเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงเท่าที่เห็นเนี่ยชัดๆสองประเด็นหนึ่งคือ เป็นนบีของบริษัอิสลามเหมือนกันนี่ออกแม่พอการอิสรามเนี่ยมัสยิดอนักซอนเนี่ยพี่น้องเป็นการผูกศรัทธาระหว่างอิสลามกับอัลลกิตาบไว้ด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราเขาเรียกว่าเรามักจะมองว่าเอ๊ะคนที่เป็นศัตรูต่อมุสลิมมีความขัดแย้งกันมากเนี่ยก็จะเป็นอัลลกิตาบแต่ทำไมสมัยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ย ท่านอาีวมันเคยตั้งความหวังไว้ว่าคนที่จะเป็นพันธมิตรกับมุสติมเนี่ยน่าจะเป็นอาุนกิตาเพราะว่ามีศรัทธาที่ใกล้เคียงกันอ่าเห็นไหมแล้วก็เหตุการณ์ที่ซอลเนี่ยจากกาบ้าไปที่มัสซิดนอักซอเนี่ยผูกให้เห็นว่าเป็นศรัทธาเดียวกันอย่างน้อยก็ยัมีหลักการก็เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นพระผู้เป็เจ้าองค์เดียวจะมีการบิดเบือนจะอะไรกันแล้วแต่แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยพระเจ้ามีองค์เดียวเป็นองค์เดียวกัน น, ก น, นะครับ ประการที่สองก็คือว่าได้รับการแตกตั <begins. S 1> ้นเป็นตอนคืนเหมือนกันอิสระในอายะที่หนึ่งเหมือนกับคําว่าซาลล่าของนบีมูซาในเซอร์ตุนกัสซสอายะที่หีสิบเก้าข้อ่านก็เลยเล่าต่อกันมาเห็นไหมมีความเชื่อมโยงนะการเรียงลําดับอายะข้ออานเนี่ยไมาเฉ่ใส่โมโมนะมีความเชื่อมโยงนะครับอ้าวต่อมาครับอายะที่สามอันนี้งงไปใหญ่ เปเกี่ยวกับรบีนบนวเกี่ยวยังไงมาดูละกันฤทริยะมหามนามาอนุหินนะแล้วก็เผ่าพันธุ์ลูกหลานซึ่งทำไมเอ่ยเราเนี่ยได้บรรทุกเขาพร้อมกับนวลวงเล็บบรรทุกในเรือหามันนาแต่ว่าแบกบรรทุกขึ้นมาเนี่ยอินทร์หการอับดุลฉูรอแน่แท้นวเนี่ยเป็นบาวซึ่งชะกูรอเป็นบาวที่ขอบคุณ ตอนที่โยงอันอิสราการอิสรากับนบีมูซ่าเข้าใจเพราะเป็นบันิอิสราอินเข้าใจได้แต่นบีนุ่เนี่ยจะโยงยังไงอ่าพี่น้องว่าจะโยงไงเพราะนบีนุวเนี่ยมาก่อนมาก่อนบันิอิสราอินก็เรียกว่าลูกนบีนุ่เนี่ยตอนที่ขึ้นเรือนบีนุ่ประมาณการกันว่า 950ปีที่นบีนน้วทาการเผยแพร่เนี่ยอันนี้เป็นการประมาณการนะ ม, มาชาดิซโซเย่มาชาเลพีโน ม, มาตองซีเรีย น, นะเป็นเ้าเรียกว่าความเห็นทางบทวิสา950ปีที่นบีโน้วทำการเผยแพร่ประมาณกา ร, รว่ามีผู้ศรัธทธาประมาณ80คนที่ขึ้นเรือพร้อมนบีโน้วประมาณการอาจจะผิกกดกระไรจถูกกระไรแต่เห็นว่าน้อยแค่ น, นี้คนที่ขึ้นเรือพร้อมนบีโน้วเนี่ยมีคนที่เป็นลูกนบีโน้วจริงๆด้วยมีด้วยลูกคนหนึ่งชื่อว่าซาม นะซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลของภาษาในกลุ่มภาษาเซมิติกแล้วก็บริสราอีตก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันอันนี้คือความเกี่ยวโยงที่หนึ่งพูดถึงนัวเพราะว่าเป็นต้นตระกูลต้นกําเนิดสายหนึ่งของบริสราอีตปัจจุบันคนที่ชื่อแซมแซมเนี่ยนะครับแซมยุรานันแบบเนี้ยแซมก็คือชื่อเนื้อามาจากความเชื่อมาถึงลูกหนึ่งลูกคนหนึงก็คือบิโนอะเลสลา ชาวเซมติกเนี่ยนะครับชาวเซไม้เนี่ยก็แย่งมาทั้งเป็นอาราบก็ถึงเป็นชาวเซไม้ด้วยพวกฮิบูพวกอิสราเอลนบันิสราอีนก็เป็นชาวเซไม้เหมือนกันอังคารเดียนบาบิโลนเนี่ยพวกนี่เป็นชาวเซไม้ทั้งหมดอันนี้เป็นทามอติศาสตร์แหละนะครับความเชื่อมโยงที่หนึ่งคืออานของบันิสาอีนเนี่ยมาจากทันนบรีโน่เหมือนกันประการที่สองที่สําคัญที่สุดคือก็อ่านบอกว่ามันธรรมนามาอานุ아 คนที่อัลลอฮ์ช่วยให้รอดพ้นเนี่ยนะรอดพ้นด้วยกับเรื อ, อนะบีนูรอดพ้นจากการจมน้ําเหมือนกับที่อัลลอฮ์ช่วยบนีณิสรา อ, อินข้ามทะเลแดงรอดพ้นจากการจมน้ํานี่เนี่ยเป็นเครลอดทําไม่สังเกตนึกไม่ออกเลยนะว่ามันผูกพันยังไงบนรณิสรา อ, อินกับท่านบีนูอัลิสาลามได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เหมือนกันช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการจมน้ําวิธีต่างกัน ท่านอบีุลเนกับผู้ศรัทธารอดพ้นเพราะฮามันนามาอานัวอลัลละฮฺบรรทุกไว้ในเรือไม่จมน้ําเหมือนกันชาวบันนิซออินก็ไม่จมน้ําเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้เรือใช้การแหวกทะเลเพื่อชาวบันนิรออินเดินทางผ่านได้เห็นไหมมีความเกี่ยวโยงกันไหมเกี่ยวโยงกันอินัยยะหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า อินหูการอับดัลมัชฟูรอหลังจากที่ช่วยให้รอดพ้นจากการจมน้ําแล้วเนี่ยอลาาาัลลอฮฺบอกว่าอินหูการอับดัลมัชฟูรอหลังจากที่รอดพ้นแล้วเนี่ยนบีนุ่ก็เป็นบ่าวที่ขอบคุณนะตรงนี้ในต่างกับวันนี้รออินเหตุการณ์เนี่ยเรายังไม่พบว่าหลังจากที่น้ําลดลาาาแล้วเนี่ยกลุ่มชนนบีนุ่ทําการตั้งพาคีกลับไปตั้งพาคีการรอดเนี่ย ยังไม่พบตรงนั้นอาจจะเป็นระยะเวลาต่อมานานนั่นแหละแต่ไอคนที่ผ่านเหตุการณ์จมน้ำเนี่ยยังไม่มีข้อมูลมาถึงเราว่าตั้งพาคีนึกออกไหมแต่บันิสราอินเนี่ยชัดๆเลยพอพ้นจากพปลอกเอามาแล้ววันดีคืนดีเงาเหงาก็เอาทองมาหล่อเป็นรูปวัวขึ้นแล้วก็ทำการตั้งพาคีคือไม่ได้ทิ้งระยะเวลานานแบบ ลูกหลานดับเบี้ยนุ่นนะอันนั้นคือรุ่นหลังแล้วกี่ร้อยกี่พันปีก็ไม่ทราบใช่ตอนมหลอกล่อ ก, ก็กลับไปตั้งพาคีแต่คนที่ผ่านเหตุการณ์น้ําท่วมเนี่ยมีมีบรนที่ซาร์อีนต่างกันคนตรงนั้นเหลือมีน้องห่างกันระยะเวลาไม่นานเนี่ยไม่ถึงปีเลยมั้งหลังจากพ้นมาแล้วเนี่ยดับีมูซาฝา่งนบีฮารูนว่าให้ดูบันที่ซาร์รอีนด้วยฉันจะไปรับบรญยาสิประการพอดับีมูซาไม่อยู่ปุ๊บไอ้พวกนี้เอาเลย สร้างรูกัวขึ้นมาแบบมีเสียงเนยนะลมผ่านแล้วก็มีเสียงเหมือนวัวเบะเลยก็ทําการตั้งภาคีต่อแล้วตอนนบีมูซากลับมานี่โกรธมากความที่โกรธเนี่ยอวยที่เราให้มาเนี่ยทุ่มแตกเลยเป็นเป็นก็เป็นแผ่นเป็นแผ่นบันทึกเป็นเล่าเป็นอะไรเหรอนี่คือเป็นแค่แผ่นหินแผ่นบันทึกเนี่ยทุ่มทุ่มแตกเลยแล้วก็กระชักเขานับดุฮาลูที่เป็นพี่ชายเนี่ยว่าทําไมไม่ดูปล่อยได้ยังไงให้ตั้งปาคีเนี่ย แต่พี่ฮารุนบอว่าฉันนั้นสุดความสามารถเลยเวลาฉันไปฆ่าคนพวกนี้เกือบจะฆ่าฉันเหตุการณ์ตรงนี้อัลลอฮ์เล่าละเอียดเลยพี่นอกก้องกบในอยายะฮ์กุรอานพี่น้องเคยผ่านมาแล้วนั้นเพดีแล้วก็อาบุ้ด้วยคนที่ปัน้นลูกวัวชื่อชื่อซามิรีจะเป็นชาวซามิรีคนหนึ่งหรือว่าเป็นคนคนหนึ่งชื่อซาบิรีกันแล้วแต่เป็นคนปัน้นลูกวัวเพราะว่าในอัลลอฮ์ทตามเนี่ยบางคนอธิบายว่าคนที่ปัน้นลูกวัวคือคื อ, คอนบีฮารุน ไปกันใหญ่แล้วนะเบฮารุนจริงๆไม่ได้ปั่นลูกบัวแต่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยห้ามไปอยู่เห็นไหมเราก็อา่านลงมาปกป้องความบริสุทธิ์ให้กับนบีฮารุนทั้งท่านที่เป็นบนันทีอิซซาอินบนันทีอิซซาอินใสร้ายนาบีฮารูนว่าปั่นลูกปั่นแต่ก็อา่านลงมาในกี่พันปีลับหลังเนี่ยมาแก้ว่านบีฮารุนไม่ได้ทําระบุชื่อบริวัยคนทําชื่อซาหมีรีอันนี้อยู่ในอายะฮ์กุรอ ฉะนั้นมุมมองของมุสลิมที่มีต่ออาลุกิตตาบเนี่ยไม่ใช่มุมมองที่เป็นศัตรูพีน่น้องนะไม่ใช่มุมมองที่เป็นศัตรูส่วนเรื่องความขัดแย้งที่มีจะเป็นสงคารามจะเป็นคอยบา้านยูนมบิดิน่าเนี่ยเป็นเรื่องของผู้คนในยุคสมัยนั้นโดยหลักการโดยความศรัทธาแล้วอิสลามไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับอาลุกิตาบมันเป็ความเชื่อของอาลุกิตาบความขัดแย้งที่เหลือเป็นเรื่องของคนผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้น นะครับถ้าพี่น้องตีความนาะเรื่องของคนนะ่ะนะทะเลาะกันหมดแหละต่างความเชื่อต่างภูมิลำเนากันฉะนั้นให้มองที่หลักการโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเ อ, อการอธิบายศาสนาด้วยว่าไอ้พวกนั้นไม่ใช่พวกเราแบบเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยแนวอธิบายแบบนี้เนี่ยมีปัญหาใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะแตกแยกกันไปใหญ่แล้วก็บางที คนที่มีอคติต่ออิสลามเขาก็พยายามเคลื่อนไหวที่เชียงใหม่พี่น้องจะได้ข่าวนะครับเคลื่อนไหวแล้วเห็นไหนไปตามโรงเรียนไปเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใมีความแตกแยกกันฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมสมัยนี้จะจะมาบรรยายว่าไอ้แบบนั้นไม่ใช่แบบฉันไอ้แบบฉันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยพี่น้องปัญหาข้างนอกก็จะมีข้างในก็มาแตกกันอีกนะครับในสภาพการปัจจุบันถือว่าไม่เหมาะสมผมไม่ได้พูดว่าใครผิดใครถูกนะแต่ว่าโดยสภาพการปัจจุบันถือว่าไม่เหมาะสม อาอายะที่สามพูดถึงนบีนัวนะครับเชื่อมโยงเกี่ยวกันเลยครับทอนพนจากการจมน้าเหมือนกันแล้วก็เตือนบรรดิสร อ, อีนเลยนะว่าคนที่ผ่านการทดสอบตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอัปดังชกูรเขาเป็นบาวทีความคุณต่อรอดไม่ใช่บาวที่ตั้งภาคีต่อรอดเหมือนกับบางส่วนของบรรดิสร อ, อีนเหตุการณ์การกไหว้รูปบัวเนี่ยพี่น้องไม่ใช่เหมาวดิสร อ, อีนทั้งหมดนะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก้าวไหวลูกวัวไอ้ส่วนน้อยก็มีตดตัวออกมาที่อยู่กับนบีฮะรูนก็มีเหมือนกันแต่ว่าเอาไม่อยู่เพราะเป็นคนส่วนน้อยนบีมูซากลับมาเนี่ยเครื่องเลยโอ้โหมันไปขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยเลาเพิ่งจะเดินผ่านทะเลแดงด้วยกันมาเนี่ยเห็นโมอีสานด้วยกับตาตัวเองมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับอา้าวต่อมาครับอายะที่สี่นะ ว่ากา็ดนะเอลาบันิอิสราเอลนะครับฟินกิตาเราเนี่ยได้แจ้งกับบันิอิสรอเอลในคัมภีร์นั้นและทุบสิดันนาฟินอาร์ิมาร์ไตนบนอิสรอลย จ, จะสร้างจะสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินสองครั้งวะตะลุนนาอุลูวันกาบีรแลวก็จะเาเรียกว่าญิงย่าโศ ส, ส, สองครั้งสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินสองครั้ง ตรงนี้ก็มีการถกเถียงกันว่าสองครั้งที่บันิซออินยิ่งใหญ่และก็สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินสองครั้งคือสองครั้งไหนบ้างนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนคือหลังจากที่ท่านนบีเหล่าเหล่ายาวบัะมีมูซาพาบันิซออินออกมาใช่ไหมหลังจากนั้นบันิซอร์อินไปที่ไหนไปที่เปรเซียไปที่เปสไตี์ครั้งแรกเนี่ยเห็นเข้าไปถึงแล้วแต่ไม่เข้าไปเพราะคนพื้นเมืองร่างกายใหญ่โต เห็นลกลัวกลับมาเอาลอกก็เลยลงโทษให้หลงในเตซายสี่สิบปีนบีม right ูซานบีฮารูนเสียช the ีวิตเหการตรงนี้แหละต่อมาก็ยูชะบินนูนเป็นผู้นำบริษัิสราเอลนำชาวบริษัิสราออลกลับไปที่ชิติเปเลสไตน์ยูชะบินนูนคือใครคือคนเด็กรับใช้ของนบีมูซาซึ่งในซีรี์กาฟีเนี่ย เดินทางมปกระีมูซาแล้วก็ไปเจอนบีขิเดเนี่ย น, นั่นแหละคือเด็กกับชายนาบีมูซาอยู่ในซนกาฟีต่อมาไปพูดนำประชาบันิสรอยินแล้วก็นำไปนบีซรอยินเนี่ยทำไปที่เปเลสไตรไปต่อสู้กับคนขึ้นเมืองนึกออกไหครณะนี้คนที่เป็นกษัตริย์ก็คือท่านนาบีดาวุอเลสลามมายะต่อมาแล้วก็นบีซวยมานอันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของบันิสรอยินเนี่ยยิ่งใหญ่มากครั้งที่หหลังจาก หลังจากสมัยนบีสุลัยมาแนบบมาแล้วนบีสุลัยมานในยิ่งใหญ่นะความยิ่งใหญ่ไปถึงสบะราเชนดีบินกิสอยู่ที่เยเมนนะยคิดดูความยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับหลังจากน บ, บีสุลัยมานเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบ ร, ริสลออีก็เกิดความแตกแยกกันแยกเป็นสองสองอันนั้นจากอันนั้นจากข้างบนอันจากขล่างนะยาูดากับอิสราเอียแยกกันนะครับโดยกับความตกต่ำตรงนี้เนี่ยถูกพวกบาบิโลนจับมาเป็นทาาอันนี้คือความตกต่ำ ครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นกลับมาครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่หนึ่งมีชัดเจนนะครับหลังจากนาบีมูซานเนี่ยมีความไอ้หลังจนบีสุลัยมานมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ถูกจับเป็นทาสในบาบิโลนอันนี้ครั้งที่หนึ่งชัดเจนครั้งที่สองเนี่ยบางคนบอกว่าหมายถึงครั้งที่หลังจากกลับมาจากบาบิโลนแล้วเนี่ยถูกพวกอะโรมันจับไปเป็นทาสอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมตกต่ำครั้งที่สอง ยิ่งใหญ่แล้วก็ตกต่ำครั้งที่สองบางคนบอกว่าไม่ใช่หมายถึงอิสซออีในปัจจุบันนี้ตั้งหากซึ่งปัจจุบันนี้ยิ่งใหญ่มากเนี่ยอูรูวันกัมบีรอเป็นประเทศเล็กๆแต่อยู่ใจกลางประเทศอาหรับมีอาวุธนิวเคลียร์มีมหาอำนาจหนุนหลังบางคนอธิบายตั้ซีดในแนวนี้บอกว่าการยิ่งใหญ่ของอิสซออีนในสองครัง้งครั้งที่สองคือปัจจุบัน ปัจจุบันนี้ถ้าอิสราเอลบันิอิสราเอลตกลงเมื่อาเลยจะไม่สามารถพังงานขึ้นมาอีกครั้งได้แล้วนี่ก็เป็นแนวหนึ่งแต่ว่าถ้าดูตับซีดเก่าๆก็จะบอกว่าไอ้สองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วครั้งที่หนึ่งบาบิโลนจับมาเป็นท่าครั้งที่สองเปโรมันกับจับมาเป็นท่าตรงนี้ถ้าพูดลึกเนีพี่น้องงงเพราะว่าประวิศาสรละเอียดมากนะละเอียดมากเว่าหลังที่มีโอกาสก็จะแทรกให้ฟัง ไม่ใช่ลแล้วผมก็ต้องทวนกันรายละเอียดเยอะจำไม่ได้เหมือนกันต้องทวนเหมือนกันแต่เล่าข่าวให้ฟังแบบนี้นะครับอ้าวต่อมาครับอยายะสุดท้ายในวันนี้ครับอยายะที่ห้านะอละัลลอตรัสว่าฟะอิดาจาอวะดูอาลลาฮูมาบะอตนาอัลลกุมอิบาดันละบบนาอุลินบะซิชนชดีดินเมื่อสัญญาที่หนึ่งในสองครั้งมาถึงอัลลอก็จะทรง บ่าวเขาล่อมาเหมือนกันอุลิมบะซินชาดีดินซึ่งมีเป็นผู้ที่มีอํานาจเข้มแข็งฟายาซูคคลาเลดียาหลังจากที่มามีอํานาจมายึดครองแล้วเนี่ยคนที่มายึดครองเนี่ยก็คือว่ายาซูเคลาเลดียาถ้าแปลตรงตัวแปลว่าเขาเรียกว่าบุกเข้าไปค้นตามบ้าน นะก็คือตรงนี้ของการคนนองการจะเห็นพ้องกันหมายถึงการกระทาของพวกบาบิโลนซึ่งมายึดคองบัิซออินก็คือไปตามบ้านไม่พอนะจับเป็นเฉลยพี่น้องต้องดูแผนที่ว่าบปาเลสไท์อยู่ตรงไหนแล้วบาบิโลนเนี่ยอยู่เถาอีละจับมาเป็นทาสแล้วก็เอามาไว้ที่บาบิโลนไกลเหมือนกันนะและตรงนี้เองแหละเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคำภีของชาวยโฮูด เพราะว่าเวลาที่จับมาวัดที่บาบิโลนเนี่ยที่บาบิโลนตรงนั้นใช้ภาษาอีกภาษาหนึ่งไม่ใช่ใชภาษาฮิปูคำเภีร์แล้วเวลาเวลาทําอันนี้พูดได้ไม่ได้เป็นการดูหมิ่นความเชื่อเวลาในทางภาษาศาสตร์เนี่ยทางภาษาเชิงประวัติเนี่ยเวลาพูดภาษาฮิปูเนี่ยฮิปูแบบไหนฮิปูแบบคำเภียเนี่ยก็จะเป็นภาษาเก่า สมัยนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นชาวชาวฮิปูที่มาเป็นท่านในบาบิโลนเนี่ยนะครับต้องมาอยู่ในพื้นที่ใต้ปกครองซึ่งใช้ภาษาอื่นคือภาษาอาามิกคำพีต่งตางๆที่ถูกเปาพันเพิ่มเติมถูกแปลแล้วก็มีเนื้อความบางอย่างสูญหายไปนเนี่ยจะโดยจงใจหรือไม่จงใจกันแล้วแต่เกิดขึ้นในสมัยที่เป็นท่านในบาบิโลนฉะนั้นที่เราบอกว่ามีการบิดเบือนเพิ่มเติมเนี่ย แม้แต่นักวิชาการชาวยุธรเอกยอภรับว่เกิดขึ้นในช่วงไหนในช่วงที่เป็นบาบิโลนส่วนหนึ่งก็คือการถ่ายทอดทางภาษามีความตกหลงทางเนื้อความแล้วก็อาจจะเป็นความตั้งใจของผู้ที่มีสนได้สนเสียเช่นนักบวชแล้วก็ผู้ประพันธ์ด่วนบรรลุโล อ, อาลัมแต่เราบอกว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีบ่าวซึ่งมีอํานาจยิ่งใหญ่เนี่ยมีอํานาจมา เบานะ์น่ะจะเป็นเบา์ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะ่ะถึงเป็นเบา์คอร์ลนะครับพวกพวกบาบิโลนในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ศรัทธาต่อรอนะแต่มีอานาจเข้ามาบุคคลในบ้านของพวกชาววันนี้ซรอยินหัวการอาว่าตดันมัอูลานะครับสิ่งตรงนี้น่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยกับอายาในเองเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งวันนี้รอยินจะสูงส่งในแผ่นดินสองครั้งครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตกต่ำแล้วอายาที่ห้าเนี่ยมีเขาเรียกว่า ผู้มีอำนาจมาบุคคลที่บ้านมาจากเป็นเฉลยเกิดขึ้นแล้วแต่ครั้งที่สองเนี่ยทำไมก็ยังไม่ได้พูดตรงๆฉะนั้นจึงทำให้นักวิชาการส่วนหนึ่งอธิบายว่าคานยิ่งใหญ่ของบดิซอยอินครั้งที่สองเนี่ยคือรัฐอิสราเอลในปัจจุบันนี่ออกมาก็เป็นแนวหนึ่งในการอธิบายนะครับแต่บางคนก็บอกว่ามันเกิดขึ้นผ่านไปแล้วสมัยโรมันจบแล้วนะครับในวันนี้นะครับ ช่วงท้ายของเวลาผมทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งจะจริงๆว่าอันอริรอเนี่ยพี่น้องน่าสนใจมากมันเกี่ยวกับบรรอิซออิ น, อ, อ, นอายาที่หนึ่งพี่น้องครับสรุปนาเส้นทางการเดินทางของการทิซอจากมักกะไปสู่เยรูซาเล็มให้ในัยยะถึงเส้นทางการเดินทางของความเชื่อเพิ่มจากกาบะ จะเป็นนบีอาดัมก็ดีท่านนาบีบรอฮีมก็ดีหลังจากนั้นย้ายไปที่เยรูซาเล็มเพราะว่านาบีสมมาเป็นบนันิซซออีนหลังจากนั้นเหมือนกับการเดินทางขากลับกลับมาที่กา บ, บาอีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันกับเตาหีตหลักศรัทธากลับมาที่กาบามาที่มัค ก, ก้าอีกข้างหนึ่งในสมัยศาสนาองค์สุดท้ายศาสนทูตองค์สุดท้ายคือท่านนาบีมุฮัมมัดสอลล็อว์เบสลัม อันนี้คือถ้ามองในไวยากเนี่ยนะครับมีความหมายมาแล้วก็มีน้องให้จําไว้คว่ามัสิดินอักซ์เนี่ยแปลว่าไกลไกลที่สุดเวลาก็บอกว่าทวีปเอเชียมันมีตะวันออกไกลตะวันออกกลางตอนออกไกลมาถ้าตะวันออกกลางเนี่ยอัญชักคุณอักซ์ซตอนออกกลางถ้าตะวันออกไก ล, ออกกลคืออันชักคุณอักซอซ์มาถึงญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็ถือตะวันออกไกลครับเพาอักซ์เนี่ยแปลว่าไกล ไม่ได้เกี่ยวกับคำไม่ได้เกี่ยวกับอาย่านี้ญี่ปุ่นเกาหลีแต่คําว่าอักซอนแปลว่าไกลที่สุดฉะนั้นเวลาไปที่ยิโดซเล็มเนี่ยคําว่าไกลตรงนี้สแสดงถึงโมอีซาการที่อัลลอฮฺสัตแนบีบูมัดเดินทางในยามค่ำคืนไกลขนาดนี้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งคืนนะครับนี่คืออายาจากอายาที่หนึ่งแล้วก็อีกคำหนึ่งพี่น้องขอเพิ่มอีกหนึ่งคําว่าบาร์นาฮาัลลาูความจำเริญที่เกิดขึ้น อ้าวมัสยิดุลอักซอรนีพี่น้นองมีเยอะมากมีนบีหลายองค์มากที่เป็นบั น, นีซอร์อีนแม้กระทั่งชื่อเยรลูสเลมชื่อก่อก่อนชื่อชื่อเอมืมมองอิรยาก็ในภาษาอังกฤษคืออินญาสนาบีนอินญาสอลัยซัลามฉะนั้นมีนบีหลายคนมากที่เป็นบั น, นีซอร์อินแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละเกิดตรงนั้นตายตรงนั้นโกูโบก็อยู่ตรงนั้นนะครับ ในอายะที่สองครับก็อ่านเชื่อมโยงครับกับท่านนาบีมูซาะอะลัยฮิสลามเชื่อมโดยกับจุดที่หนึ่งคือเป็นบนัีเออเป็นนบีความบันีซารอีนและก็เป็นผู้ปลดปล่อยบันีซารอีนเหมือนกันช่วงที่สองคือเหตุการณ์สําคัญในการอิสลาะและก็เหตุการณ์สาคัญในประวัตินบีมูซาคือการแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยเกิดขึ้นในยามค่ําคืนเหมือนกันซารอรอ นะเดินทางในยามค่ำคืนเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางการเดินทางของนบีมูซากับครอบครัวในยามค่ำคืนไปที่ภูเขาซีนายเหมือนกันอยายะที่สามพูดถึงนบีนัวเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ว่ายังเกี่ยวอยู่เพราะบันิสราอินสืบเชื้อสายมาจากซามนะครับแซมเนี่ยบุตรคนหนึ่งของท่านนาบีนัวและก็สิ่งสําคัญคืออัลลอฮ์ช่วยให้บันิสราอินกับนบีนัวรอดพ้นจากการจมน้ําเหมือนกัน วิธีต่างกันอันนั้นช่วยด้ยกับฮามันนามอานูฮินโดยกับเรือนบีนัวเอ่อวันนี้ซอยอินแหวกทะเลให้เดินผ่านไปได้ช่วยเหลือให้รอดพ้นเหมือนกันมีความเกี่ยวข้องกันจึงกลายเป็นอายะที่สามในซีรี้นะครับอายะที่สี่พูดถึงบัญชีซอยอินครับจะยิ่งใหญ่โอหางบนหน้ากระเดแค่สองครั้งหลังจากนั้นไม่มีแล้วนะครับสองครั้งที่ว่าครั้งที่หนึ่งค่อนข้างจะชัดเจนคือครั้งที่ หลังจากตมีซวยมานอนาณาจักรแตกเป็นสองนะครับถูกจับเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแปลคำภีร์ถ่ายทอดความหมายในคัมภีร์และก็มีการไม่ตรงกันต้นฉบับเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งค่อางจะเห็นเหมือนกันครั้งที่สองเถียงกันอยู่บางคนบอกว่าสมัยโรมันผ่านไปแล้วบางคนบอกว่าหมายถึงรัฐอิสราเอลในปัจจุบันในอายาที่ห้านะครับพูดถึง ครั้งแรกเนี่ยนะครับหลังจากที่ยิ่งใหญ่บนหน้าเป็นดินจะตกต่ําเนี่ยจะมีอิบาดันดานานะอุลินบะซินชาดีดินบาวของอัลลอฮ์ที่มีอํานาจมากไม่จำเป็นต้องเป็นบาวที่ซอนแล้วนะฟายาสูขียาลดิยารมีอํานาจไปยึดครองอิสราเอลบนอันิซออินแล้วก็ทําการค้นตามบ้านสุดท้ายตอนมาเป็นเฉลยเนี่ยเหตุการณ์ตรง น, นี้ผ่านมาแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็จึงทําให้ ครั้งที่หนึ่งการอธิบายมันจะตรงกันครั้งที่สองเลยมีทัศนที่แตกต่างกันนะครับจะผ่านมาแล้วหรือว่าจะเป็นนักอิสราเอลในปัจจุบันก็ว่ารออาลัมนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากกระเบน้องเอว้บัดนี้ครับวับดุลฮิดเดอฟิวุนฮิดายะอัสสลามอัาลเยกุ้มเบมาะมัตุลลาฮิ ว, วบเบาะกาดุ